เจริญพรท่านเจ้าของบ้านคือคุณครูเล็กคุณโยมพัตราวดีมีชูทนแล้วก็ขลยา น, น, นิมิตทั้งหลายทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรหลายท่านก็คุ้นคุหน้ามางทีนั่งมองทายถอยอยังรู้จักแล้วก็มีคนใหม่ๆทั้งจรมาแล้วก็จรไปทั้งประทับใจแล้วก็ขัดใจ แต่อย่างไงก็ตามแม้จะห่างหายกันไปยังไงก็ตัดไม่ตายขายไม่ขาดหายไปสองสามสัปดาห์นึกถึงหน้าครูเล็กก็แวะมาที่นี่บางทีได้เจอเจ้าของบ้านแล้วก็ได้เจอท่านอื่นๆด้วยซึ่งเป็นขาประจําอยู่ที่นี่ัตมภาพเองแม้่ระยะหลังไม่ได้มาบ่อยๆแต่ก็ติดตามเสมอว่าทำอะไรกันแล้วก็อนันดโมทนาอยู่ในใจว่า เราทําสิ่งที่ดีงามถึงแม้ธรรมะกับดราม่าเนี่ยที่เราทําอยู่มันจะเป็นไม่ขีดกั้นเล็กๆแต่ไม่ขีดกั้นเล็กๆ เ, เนี่ยถ้าถ้จุดขึ้นในคืนเดือนเมืเนี้ก็สําคัญมากไม่ขีดกั้นเล็กๆ เ, เนี่ยถ้าจุดถูกที่ถูกกาละถูกเทศ์ะมันก็จะให้แสงสว่างได้มากหรือบางทีเมื่อเราจุดขึ้นมาแล้วก็มีคนเทียนมาจุดต่อไปไฟจากการไม่ขีดกั้นเล็กๆ ก, ก็อาจจะมี พลังสามารถส่องแสงไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ได้เพราะฉะนั้นโครงการละครธรรมะวันอาทิตย์จึงเป็นโครงการที่ดีมากๆเมื่อกี้อาตรมาภาพนั่งดูละครพร้อมกับท่านทั้งหลายรู้สึกขึ้นมาในใจว่าวันนี้ถึงแม้ไม่พูดเลยก็อิ่มเพราะว่าทำได้งดงามมากนึกถึงชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของ e f s h o um marker สมอลอิสบูติฟูลจิวเตจทุกอย่างง่ายๆวัตถุดยบอยู่แถวนี้ทั้งนั้นรวมทั้งงานตมภาพด้วยก็เป็นคนแถวนี้ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลรู้จักมากกี่กันแต่ว่าสิ่งเล็กๆในน้อยเนี่ยถ้าได้รับการจัดวางอย่างถูกกาละเทศะถูกที่ถูกทางสามารถก่อเกิดแรงดลใจอันยิ่งใหญ่ได้ โดยส่วนตัวเนี่ยตมภาพเชื่อว่าแรงดลใจนั้นสำคัญมากๆไอสไตแกพูดไว้ประโยคหนึ่งแกบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่แตมพภาพมนมีสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งกว่าจินตนาการสิ่งนั้นก็คือแรงบันดาลใจคือจินตนาการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับแรงบันดาลใจอย่างพระพุทธเจ้าของเรา ก่อนที่จะเกิดความประทับใจจนอยากเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็มีแรงบันดาลใจ อ, อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองก่อนที่จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ก็มีแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งสตีเวนสตีเบิร์กเนี่ยก่อนที่จะเป็นนักสร้างหนังผู้ยิ่งใหญ่แกก็ได้รับแรงบันดาลใจตัวของอาาราพเองมาเป็นพระทุกพั์ น, นี้ก็มีแรงบันดาลใจ ทั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเป็นพราหมณ์ชื่อสุมเมศหรือเป็นไดบดชื่อสุมเมศไดบดวันหนึ่งเห็นชาวบ้านชาวเมืองเตรียมถนนหนทางท่านก็เข้าไปถามว่าเตรียมทํำไหมชาวเมืองก็บอกว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าที่มังกรจะเสด็จนะท่านก็บอกเอ๊ะทางง่านงันฉันก็ร่วมรับเสด็จด้วยสิท่านก็เตรียมทําถนนหนทางในระหว่างนั้นเองถนนหนทางในช่วงที่ท่านรับผิดชอบก็ไม่เสร็จพระพุทธเจ้าก็เสด็จดําเนินมา สุมเมศดาร์หดในเมื่อทําถนนหนทางไม่เสร็จก็จึงนอนลงแล้วถวายแผ่นหลังของตัวเองนี้ต่างพื้นถนนให้พระพุทธองค์เสด็จดําเนินผ่านบนแผ่นหลังเหมือนกับประวัติของพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษท่านหนึ่งมีเสนาบดีคนหนึ่งเนี่ยทำสิ่งหนึ่งซึ่งถือว่าประทับใจมากก็คือเสนาบดีคนนี้ได้ถวายเสื้อคลุมของตัวเองแก่พระนางเธอ ในช่วงเวลาวิกฤตพระนางเธอตีความว่าเสื้อคลุมนี้แทนคำพูดร้อยคำพันคำทำให้พระนางเชื่อมั่นในการที่จะอยู่บนบันลังแห่งอำนาจแล้วบริหารราชอาณาจักรเล็กๆแต่ว่ามีอนุภาพครอบงำโลกทั้งใบถึงกับกล่าวกันว่าดินแดนของสหราชอาณาจักรนั้นกว้างใหญ่ชนิดที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเช่นเดียวกันสุมเมดบดก็ถวายแผ่นหลังตัวเองแล้วก็เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมา นั่นก็คือพอถวายแผ่นหลังพระพุทธองค์ที่ปังกรสเสด็จ ด, ดำเนินผ่านไปแล้วสุเมตดาวัรก็นึกในใจว่าเอ๊ะคนที่เป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินช่างมีพระสิริโฉมงดงามเป็นสง่าราศีถ้าฉันตาธนาจะเป็นพระพุทธเจ้าบ้างจะได้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าพอพระพุทธองค์เสด็จ ด, ดำเนินผ่านก็ลุกขึ้นปัดแผ่นหลังตั้งปณิธานว่า ในอนาคตการนานไกลขอให้ข้าพระองค์นี้ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงรับรู้ความปรารถนาของสุเมศดาหมดก็ทรงหันมาปรัดพยากร ก, กับเธอว่าด้วยเดชบุญที่เธอได้ถวายแผ่นหลังต่างถนนนี้ในอนาคตการนานไกลเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าโคตมะพุทธา คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เองนี้แหละคือเกิดแรงบันดาลใจแล้วจึงเกิดจินตนาการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจจึงยิ่งใหญ่มากๆเรานั่งดูละครเราก็เห็นแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจแล้วจินตนาการก็เพลิดสามารถที่จะต่อยอดไปตามโน่นทำนี่ได้เยอะแยะไปหมดตัวแต่มาพเองเห็นละครเมื่อกี้แล้วก็นึกชมอยู่ในใจว่าคนแสดงทั้งหลายเนี่ยสามารถทำเรื่องเล็กๆ ให้ไปสะกิด ต, ตอมน้ำตาของใครต่อใครหลายคนได้ทําไมเรื่องเล็กๆจึงสะกิด ต, ตอมน้ําตาได้บางทีทําให้นึกถึงแม่นะอัตมภาพนั่งดูแลนึกถึงแม่ตัวเองมากคือยมแม่ของอัตมภาพเนี่ยท่านเสียตอนอายุหกบสเสียตอนที่อัตมภาพยังเรียนหนังสือไม่ถึงป ร, รียนธรรมเกประโยคอัตมภาพบวช14แล้วก็เรียนหนังสื อ, อ ก, กว่าจะจบป ร, ริญญาธรรมเก้าประโยคใช้เวลาเป็นสิปี ลูกชายบวดเรียนนานเหลือเกินเรียนกันเป็นสิบปียมแม่ทนไม่ไหวชิงตายเสียก่อนเรามาเห็นแม่กับลูกคู่นี้แล้วเราก็นึกถึงว่านี่ยังดีมากๆเลยนะที่ยังมีแม่ให้รักรักแม่มีแม่ให้รักอยากกอดแม่มีแม่ให้ก่อนอาตมาภาพเห็นภาพเมื่อกี้แล้วนึกถึงแม่ก็ไม่มีแม่ให้นึกถึงอยาก่อนแม่ก็ไม่มีแม่ให้กอนอยากกลับไปกราบท่านก็ ไม่มีโอกาสเราทํางานเขียนหนังสือทำโน่ทนทํานี่ประสบความสําเร็จมากมายได้รางวัลมาเยอะแยะก็ไม่สามารถไปบอกเล่าให้ท่านฟังมาพาลลูกชายที่คุณแม่ถวายไว้กับพระพุทธศาสนานั้นบักนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรบอกเล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายซึ่งยังมีแม่อยู่เนี่ยโชคดีกว่าตมานับร้อยเท่าพันเท่าคิดถึงแม่ก็มีแม่ให้รักอยากไปกอดก็มีแม่ให้กอดนี่พอเกิดจินตนาการแล้วเนี่ย อาตมภาพเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าลูกทุกคนที่รักแม่เนี่ยไม่กล้าเป็นคนเร็วอย่างน้อยๆก็วัดจากตัวเองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจมันใฝ่ต่าถ้านึกถึงความรักความไว้ใจของแม่นะนึกถึงหน้าคุณแม่เนี่ยที่เลนี่มันหดตัวได้นะที่เลนี่มันห่อเหี่ยวไปเลยเพราะอไรเพราะว่าหน้าของแม่เนี่ยลอยมาปุ๊บความใฝ่ต่ามันหายเลยกลัวที่จะไม่กล้าสบตาแก่คุณแม่ ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่แต่ในมโนธรรมสำเนียงของเราเนะ่ท่านก็ยังคงอยู่เสมอโดยส่วนตัวของอนตมาภาพเองนะบวชมาสิบกว่าปีปีนี้เขาปีที่สิบเกาการบวชเป็นพระในไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องยากมากเพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตทวนกระแสกิเลสมันไม่เหมือนการเป็นคนนะเป็นคนเป็นปุรุชนเนะี่ยกิเลสเรียกร้องต้องการให้ทาอะไรเดินตามมันไป น้อยครั้งนักที่เราจะเดินทวนการแสกิเลตแต่พอเราเป็นพระแล้วกิเลสมันเรียกร้องให้ทําอะไรเราต้องเดินสวนทางกับมันพระที่เดินทวนได้ก็อยู่ได้นานพระที่จิตใจไม่เข้มแข็งสุดท้ายทวนไม่ไหวก็ลาสิกขาออกไปสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ธรรมาภาพยืน อ, อยู่ตรงนี้ได้สิเกปีก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามที่ไฟต่ํานึกถึงหน้ายอมแม่แล้วตรงนั้นมันเป็นพลังใจหัดห้ามเราจากสิ่งที่ไม่ดีงาม มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่แตมมาภาพเดินน้อยแล้วไปบินทบาทผ่านหน้าบ้านของตัวเองมีภาพเป็นร้อยรูปเลยเดินบินทบาทมีภาพภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพประทับใจก็คือว่าตอนที่ขบวนพระนุ่มเนินน้อยเดินผ่านหน้าบ้านแตมมาภาพเห็นย่อแม่ถือกระติบข้าวนี่ยกระติบข้าวเล็กๆไว้ในมือแล้วก็ถือกับข้าวในขณะนั้นที่ ที่มือของยอมแม่ไม่มีดอกไม้ท่านก็วิ่งวุ่นหาเก็บดอกไม้จากบริเวณรั้วแถวหน้าบ้านเก็บดอกโน้นเก็บดอก น, อกอกนี้เราก็มองเห็นความวุ่นวายของท่านแต่เป็นความวุ่นวายที่แววตานั้นเปลี่ยมสุขมากๆดูสิว่าการได้ตักบาตรท่าลูกชายนะเหมือนกับเป็นงานเกียรติยศของยอมแม่ท่านวุ่นวายเก็บดอกไม้วุ่นวายถือโน่นถือนี่ ยุ่งไปหมดเลยแต่ดวงตาของท่านไม่ยุ่งดวงตาของท่านมีความสุขมากเราเห็นภาพนี้แล้วทุกครั้งที่ไฟต่ำนึกไปถึงตรงนั้นว่าดูสิครั้งหนึ่งคุณแม่ของเราเนี่ยโอลวุ่นวายอยากจะตักบาตพระลูกชายแทบตายยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดพอนึกอย่างนี้ไนดะ้เราก็สามารถที่จะประคับประหงตัวฟ้าขึ้นลมของกิเลสตันหาอยู่มาได้อย่างยาวนานมีวันหนึ่งยอมแม่ของอาตมาพาไปที่วัด ท่านชีให้ดูที่บท์ที่วิหารท่านก็ชี้ไปดูประตูบอร์ดูหน้าต่างดูช่อฟ้าใบรากาแล้วท่านก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งซึ่งทำให้ตรมภาพในฐานะที่เป็นเนนน้อยสะอึกมากเลยท่านบอกว่าดูสิลกูกตามหน้าต่างตามประตูบท์วิหารเนี่ยไม่มีชื่อแม่เลยชื่อพ่อก็ไม่มีนึกแล้วมันก็น่าน้อยใจอยากทาบุญก็ไม่ได้ทาก็พูดปนสื้น อาตมาภาพกระพรุ่งขึ้นมาคำหนึ่งว่าทำไมย่าต้องน้อยใจละ่ะก็ในเมื่อโยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในพระพุทธศาสนาโยมแม่ก็ถามวาวายอะไรก็ถวายพระลูกชายไงพูดเท่านี้เองโยมแม่ก็ร้องไห้เลยประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้อาตมาภาพอยู่ยาวมาไม่กล้าลาศิกขาเพราะคิดว่าโยมแม่ไม่ได้ถวายเงินถวายทองสร้างบุแต่ท่านได้ถวายพระลูกชาย ประโยคนี้ทำให้เราซื้อสัตว์มั่นคงต่อเส้นทางนี้แล้วก็ยันยืนอยู่ยาวมาโดยตลอดก็เลยสรุปเป็นทฤษฎีได้อย่างหนึ่งว่าลูกทุกคนที่รักแม่ไม่มีลูกคนไหนกล้าทำให้แม่น้ำตาตกนี่คือสิ่งที่อัตมภาพเห็นละครนั้นก็เกิดการเชื่อมโยงตอนที่โยมแม่ขออัตมภาพยังอยู่นั้นผูพันธุ์กับอัตมาภาพมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเสียไป ก็มีโยมที่สาวคนโตเข้ามาทําหน้าที่แทนเป็นที่ก็เป็นเหมือนแม่วันหนึ่งตอนที่ตามาภาพกําลังเรียนหนังสือชั้นประเรียนทำประโยค8อีกปีหนึ่งก็จะเป็นประโยคเกปีนั้นดูหนังสือสอบในชนิดห้ามเยี่ยมห้ามประกันคือตั้งใจมากทุ่มเทมากจนพร้อมเลยมีอยู่วันหนึ่งก็ปวดหวัวตัวร้อนเป็นไข้หวัดนอนสมไม่มีใครมารู้มาเห็นวันนั้นที่สาวมาเยี่ยม พี่สาวก็มาถึงธรงภาพ่านอนอยู่บนเตียงด้วยพิษไข้พี่ก็พูดขึ้นมาคําหนึ่งว่าทำไมจะต้องทรมานตัวเองถึงเพียงนี้เจ็บแค่ได้ป่วยก็พักตั้งเสียพี่พูดแค่เนี้ยแต่ธตรมภาพได้ยินเสียงยมพี่เป็นเสียงยมแม่หันหน้าเข้าฝาแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลเป็นทางบวชมาเป็นสี่ปีไม่เคยร้องไห้เล ประโยคแสนเรียบง่ายธรรมดาอย่างนั้นร้องง่าเลยทําให้นึกถึงยอมแม่คือตอนที่เราป่วยเรานึกถึงว่าใครมาดูแลเราใครป้อนข้าวป้อนน้ําเราใครเตรียมหยกเตรียมยาเตรียมผ้ามาเช็ดเหนียวเช็ดตัวพอในวันที่เราป่วยเนี่ยเหมือนลูกนกพัดพ่อพัดแม่แล้วฝนตกเปียกปอนสั่นหนาวอยู่ที่ขาคบไม้ในบรรยากาศอย่างนั้นเรานึกถึงยอมแม่ แต่พอไม่มียมแม่ยมพี่มาพูดประโยคนี้ได้ยินเสียงมันยมแม่เราเรอให้เลยถึงได้รู้ว่าคนเราเนี่ยถึงจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามในส อ, เอกเล็กๆของจิตใจก็ต้องมีมุมที่อ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวและมุมๆนี้บางทีมันเป็นรอยต่อที่จะทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีก็ได้จะทำให้คนคนหนึ่งลิกไปเป็นคนเลวก็ได้บางคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อาจจะน้อยใจกระโดดไปเป็นคนเลวเพื่อประชดชีวิต แต่คนบางคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็อาจาจะตั้งใจทำดีเพื่อฝากชื่อเสียงเรียงนามของพ่อแม่เอาไว้ให้โลกได้ตระหนักเพราะฉะนั้นแง่มุมเกี่ยวกับพ่อแม่ของเรานี้จึงเป็นรอยต่อของชีวิตที่สำคัญมากๆเราจะใช้รอยต่อนี้เป็นต้นทุนก้าวไปสู่ความดีงามหรือจะใช้รอยต่อนี้เป็นต้นทุนก้าวไปสู่การใช้ชีวิตที่ผิดพลาดนี่เป็นคติที่ได้จากละคร จากเรื่องเหล่านี้ตมามภาพจะโยงมาถึงพระพุทธเจ้ากับพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้าของเรานั้นใครต่อใครก็ยกย่องสรษรเสรษิญพระองค์ท่านมากแต่เรามักจะลืมไปว่าแท้ที่จริงเนี่ยถ้าไม่มีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่เสียสละมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คงไม่มีพระพุทธเจ้าเวลาเราไปวัดไปมองโบสถ์มองวิหารเห็นสาลาเห็นเจดีย์ มองไปที่บทเราจะเห็นช่อฟ้าบรรากาสวยงามมากเลยช่อฟ้านี่อรชรเช่มชอยเหมือนกับจะยั่วท้าทายความอ่อนโยนของท้องฟ้าหรือไบรรากานั้นศิลปินบรรจงประดับตกแต่งอย่างประณีตเหมือนกับตั้งใจจะให้ท้าทายล้อเล่นกับแสงตะวันเราเห็นบทเห็นวิหารเห็นความงดงามแล้วเราก็บอกว่าวิเศษจริง เรามักจะมองดูยอดแห่งความสาเร็จมองดูรัศมีที่สวยงามแต่เราลืมนึกถึงอิดก้อนแรกซึ่งถมตัวเองเป็นรากเป็นฐานของบทวิหารเหล่านั้นความข้อ น, นี้ฉันใดเวลาเรามองพระพุทธเจ้าก็เช่นนั้นคือเรานึกถึงแต่ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าแต่เราลืมอิดก้อนแรกนั่นก็คือเราลืมไปว่าใครที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพระองค์ สมเด็จแม่ของพระองค์คือพระนางสิริมหามายาเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกควรจะได้รับการพูดถึงทุกๆวันแม่ด้วยซ้ำไปแต่เราก็ไม่ค่อยพูดในประวัติศาสพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราศึกษาพุทธรประวัติเาก็จะมองข้ามไปเพราะอะไรก็เพราะว่าพระนางสิริมหามายานั้นเมืออ่อทรงมีพระประสิทธิการเสร็จแล้วภายในเจวันก็เสด็จที่ว่มคตแล้วหน้าประวัติศาสตร์ก็ผ่านโดยบทบาทของพระองค์ไป แต่แท้ที่จริงแล้วเรื่องยิ่งใหญ่มากคือถ้าพระนางไม่เสียสละก็ไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมดาของมารดาของพระโพธิสัตว์นี้ท่านวางหลักไว้ข้อนหนึ่งว่าพระคันของมารดาแห่งพระโพธิสัตว์จะเป็นที่ประดิษฐานอยู่ของพระโอรสซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพระพุทธมารดา ก็ต้องกล้าที่จะแลกชีวิตเพื่อให้ลูกของตัองนั้นได้สมประสมพูดง่ายๆว่าถ้าตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะตายเพื่อให้ลูกได้สมปรารถนามีแม่คนไหนบ้างที่มีปณิธานันยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือคิดว่าถ้าลูกสมปรารถนาแล้วฉันตายได้พระนางสิริมหามายาทรงรู้ความประสงค์นี้ทรงรู้เงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นจึงตั้งเจตจำนงที่จะมาเป็นมารดาของพระมหาบุรุษ ถึงแม้ตายก็ยอมดังนั้นเมื่อทรงมีพระประสูติการเสร็จแล้วภายในเจวันก็เสด็จที่บ่งคด ต, ตามกฎเกณฑ์ของผู้ที่ตั้งความปรารถนามาเพื่อเป็นพุทธมารดาคือได้อยู่ต่อไปเนี่ยก็ต้องมีลูกคนต่อไปแต่หลักเกณฑ์ท่านวางไว้ว่าพระครร์ของพระนางไม่เหมาะสําหรับลูกคนต่อไปต้องมีคนเดียวดังนั้นก็ต้องตายตายเพื่อให้ลูกได้ไประสบความสําเร็จนี่คือรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่เป็นความรักที่สามารถจะตายแทนลูกได้ แต่ความรักของลูกนั้นบางทีไม่กล้าที่จะตายแทนพ่อแทนแม่บางทีปล่อยพ่อปล่อยแม่ตายโดยที่ไม่เคยไปดูใจด้วยสัําไปล่อยท่านจากไปมีเวลาให้คนทั้งโลกแต่ไม่มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่หรอกเมื่อพระนางสืริมห า, มายาทรงเสียสละพระองค์อย่างนั้นแล้วถามว่าพระพุทธองค์ของเราทรงทำอย่างไรในพรรษาที่เจเนี่ยทรงระลึกนึกถึงข้าน้ำนม ทรงตระหนักอยู่ในพระทัยตลอดมาว่าการที่ทรงประสบความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าความเสียสละของสมเด็จแม่ไม่เห็นี้เองในพรรษาที่7จ็ึงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาเป็นการโทษใช้นี่สักศิธิ์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนางสิริมห า, มายานั้นหลังจากเสด็จที่บุโคตแล้วก็ไปเสด็จอุบัติเป็นเทพอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นหนึ่งในสวรรค์หกชั้นและสวรรค์ชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่รองรับบุคคลสําคัญสําคัญซึ่งต่อไปจะมาเสด็จอุบัติเป็นพระโพธิสัตว์บ้างจะมาเสด็จอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าบ้างจะมาเสด็จอุบัติเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธองค์ก็เสด็จขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก์แล้วสมเด็จแม่ของพระองค์ซึ่งขณะนั้นเป็นเทพจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็เสด็จลงมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก์เพื่ออะไร เพื่อมาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในยนหนึ่งเป็นพระอรรถได้แสดงธรรมโปรดเป็นการทดใช้ข่าน้ำนมในการแสดงธรรมโปรดนั้นทรงเลือกอะไรไปแสดงทรงเลือกพระอภิธรรมไปแสดงอันนี้น่าคิดนะทำไมไม่เอาธรรมข้ออื่นไปแสดงในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ย เวลาคุณแม่อยู่กับเราเราทานอาหารอร่อ ย, อ ร, อ, ยอร่อยก็นึกถึงอยากให้แม่ได้ทานด้วยมีอะไรดีๆก็อยากแบ่งให้แม่ได้เสื้อได้ผ้าดีๆก็นึกถึงท่านตลอดอยากให้ท่านได้ใช้อย่างธรรมาภาพเนี่ยถึงแม้จะเป็นพระทุกๆปีตอนนี้ท่านยังอยู่อตาตมาก็ซื้อผ้าถุงไปฝากโยมแม่ทุกๆปีปีใหม่ก็ซื้อให้ม ก, การาะลาก็ซื้อให้เมษาก็ซื้อให้วันเกิดก็ซื้อให้ทุกวันนี้โยมพ่อยังอยู่ก็ซื้อเสื้อผ้าไปฝากท่านทุกปีทำตลอด เช่นเดียวกันพระพู้องค์ก็คงจะมองจากมุมนี้แหละดังนั้นเมื่อจะแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาจึงเลือกเอาธรรมะส่วนที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดลึกซึ้งที่สุดไปแสดงโปรดพระพุทธมารดานั่นก็คือพระอภิธรรมแล้วไม่ได้แสดงแค่วันเดียวแล้วจบนะทรงใช้เวลาสเดือน3เดือนสาหรับแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาจนพระพุทธมารดานั้นสาเร็จมรรคเป็นพระอริยบุคคล พอทำให้พระพุทธามารดาเป็นพระอริยบุคคลได้ก็เป็นอันว่าการทศชายนี่ศักดิ์สิทธิ์นั้นสําเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์หลังจากนั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงยังโลกมนุษย์เมืองที่พระองค์เสด็จลงก็คือเมืองสังกัตสักเป็นเหตุให้ประเพณีเกิดการตักบาตรเทโวโรหณนะเวลาเราไปตักบาตรเทโวโรหณนะในวันออกพรรษาเราก็จะนึกว่าเราได้ตักบาตรพระเป็นร้อยๆรูปแต่เราลืมไปว่า เบื้องหลังของประเทณีนี้คือโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปแสดงความกตัญญูแล้วกลับลงมาเพราะฉะนั้นวันเทโวโรหณะที่แท้จริงเราควรจะเรียกว่าเป็นวันตอบแทนพระคุณแม่มากกว่าไม่ใช่วันตักบาธรรมดานะวันนั้นคือวันตอบแทนพระคุณแม่วันแม่นี่แท้จริงควรจะเริ่มต้นจากตรงนั้นคือวันที่พระพุทธเจ้าทษชันี้ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วจึงกลับมาอย่างโลกมนุษย์ ความข้อนี้สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่ามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าท่านจะทําประโยชน์ให้กับคนทั้งโลกคันไหนสุดท้ายถ้าท่านยังไม่ได้ทําประโยชน์ให้พ่อแม่ของตัวเองความเป็นมหาบุรุษของท่านก็ไม่สมบูรณ์ระพุทู้ดวงก็คงถือหลักเช่นนี้ด้วยเหตุ น, นี้จึงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาเมื่อเสร็จสิ้นหนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระองค์ก็ยังเหลือหนี้ อ, อีกนี้หนึ่งนั่นก็คือว่า พระนางมหาประชาบดีโคตตมีซึ่งเป็นพระมาตุจฉาหรือพระมารดาเลี้ยงของพระองค์อีกพระองค์หนึ่งซึ่งจะต้องใช้นีสศังสิทธิ์หลังจากพระนางสิริมหามายาเสด็จที่มงคลและพระนางมหาประชาบดีโคตตมีนี้ทรงทําหน้าที่เป็นพระแม่นานางถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูพระโพ ธ, ธิสัตว์สิทธาถ ต, ต่อมาทรงทรงราลึกถึงข้อได้จริงตรงนี้อยู่เสมอดังนั้นเมื่อมีโอกาส ก็ทรงหาวิธีที่จะทษชายนี่ศักดิ์สิทธ์นี้ตลอดมากระทั่งอยู่มาวันหนึ่งในช่วงต้นพุทธกาลวันหนึ่งเสด็จในวัพระนครพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็คิดว่าอยากจะทําบุญกับพระลูกชายผู้หญิงคนไหนก็ตามที่มีพระหรือมีลูกชายได้บวชแล้วทันได้อยู่เห็นความสําเร็จของพระลูกชายน่าจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคนหนึ่งอาตมาภาพเชื่ออย่างนั้น โยมแม่ของอาจธรรมาภาพก่อนที่จะเสียท่านฝากคําพูดหลายคำหนึ่งท่านบอกว่าทุกวันนี้ในหมู่บ้านของเราไม่มีใครมีความสุขเท่าโยมแม่พูดประโยคนี้ได้ไม่ถึงตีท่านก็สิ้นดังนั้นเวลาธรรมาภาพนึกถึงท่านประโยคนี้ก้องอยู่ในหูเสมอมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาบวชเป็นพระแล้วทําให้ยมแม่มีความสุขถึงไม่ได้เลี้ยงกายแต่เราก็หล่อเลี้ยงใจของท่านเระพุทธองค์ก็นึกอย่างนี้แหละ ดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตเตมีอยากทําบุญกับพระลูกชายพระนางทรงสแสวงหาผ้ามาถักมาทอมาเย็บมาย้อมด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองแล้วทําเป็นจีวร น, น้อมไปถวายพระลูกชายแต่พระพุทธเจ้าไม่รับพระพุทธเจ้าไม่รับพระนางทรงเสียพระทัยมากว่าทําไมอ่ะแม่อยากทําบุญกับลูกทําไมลูกไม่รับทานของแม่ พระพุทธองค์ก็แนะว่าให้ไปถวายกับพระสารีบุตรสิพระนางก็น้อมจีวร่อนนั้นซึ่งทําด้วยพระมือของพระนางเองนั้นไปถวายพระสารีบุตรอัคราสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรก็ไม่รับไปถวายพระมหาโมคคัลลานะอัคราสาวกเบื้องซ้ายท่านก็ไม่รับถวายพระมหากระสตะก็ไม่รับพระนางก็น้อยใจน้ําตาไหลสุดท้ายก็ไปถวายกับพระบุตใหม่รูปหนึ่งพระรูปนั้นรับ คณะสงฆ์ก็อนุโมทนาสาธุการพระพุทธองค์ก็อนุโมทนาสาธุการพระนางก็แปลกใจว่าเอ๊ะทาไมอะถวายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับถวายแก่พระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ไม่รับแต่พอถวายแก่พระบวญใหม่รูปหนึ่งคณะสงฆ์ทั้งพวงจึงยินดีปรีดานะักพระพุทธองค์ก็ทรงเฉลยว่าถ้าตัวของอาตมาภาพรับเองบุญที่จะเกิดขึ้นก็เป็นบุญชนิดที่ว่าจำเหาะเจอดจง ไม่ใช่บุญที่ยิ่งใหญ่อะไรก็เพราะว่าเราเป็นแม่ลูกกันถ้าถวายแก่พระผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าพระผู้ใหญ่ก็ต้องได้รับการเคารพนับถือจากคนนั้นคนนี้มันก็ไม่แปลกแต่พอไปถวายกับพระหนุ่มบวชใหม่เนี่ยถ้าพระนางทําอย่างนั้นได้แสดงว่าจะต้องมีพระมหไทายที่กว้างขวางมากๆคนไม่มีจิตใจกว้างขวางคงไม่กล้าถวายทานให้พระบวชใหม่ เพราะขบวนใหม่อาจจะยังไม่มีคนงามความดีอะไรมากมายแต่เราก็กล้าที่จะถวายกล้าที่จะไว้ใจท่านประเพณีตรงนี้เองเป็นต้นเหตุให้เกิดการถวายสังฆทานมาจนทุกวันนี้ความหมายระหว่างบรรทัดของพระพุทธเจ้าก็คือถ้าพระนางถวายผ้าแก่พระองค์และพระองค์ทรงรับเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปพุทธจริยาตรงนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าพระนางถวายแก่พระสงฆ์บวนใหม่มันกลายเป็นการถวายสังฆทาน ก็เท่ากับว่าพระนางเนี่ยได้ให้ความสําคัญแก่พระสงฆ์พอคนส่วนใหญ่คิดว่าการถวายสังฆท า, านแก่พระสงฆ์มีบุญมากตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนก็เลยนิยมถวายสังฆท า, านแก่พระสงฆ์มาจนบัดนี้ข้อดีก็คือ 1. ทําให้คนที่จะถวายสังฆท า, านต้องฝึกใจให้กว้างขวางจริงๆคือเวลาเราจะถวายทานดีๆเรานักจะนึกถึงพระที่เราเคารพถวายเฉพาะเจาะจงการถวายเฉพาะเจาะจงทําให้เราเป็นคนใจแคบ แต่ถวายสังฆทานเนี่ยทำให้เราเป็นคนใจกว้างเป็นการฝึกลากิเลสจริงๆนี่ข้อดีข้อที่1ข้อดีข้อทีออ่สองทำให้พระสงฆ์ทั่วทั้งโลกไม่ถูกมองข้ามได้รับความอุปถัมภ์ค้าชูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันข้อที่สมเมื่อพระสงฆ์ได้รับการอุปถัมภ์บำรงุงพระสงฆ์ก็จะยงไม่ขัดสนด้วยจตุ ป, ปัจจัยเมื่อพระสงฆ์อยู่อย่างมีความสุขก็มีกําลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนากลายเป็นว่า การถวายสังฆทานทำให้พระสงฆ์มีความสุขมีความมั่นคงเมื่อพระสงฆ์อยู่คู่กับโลกพระธรรมก็อยู่คู่กับโลกพระธรรมอยู่คู่กับโลกสันติสุขของโลกก็มีอยู่ตลอดเวลานี้แหละคือวัตถุประสงค์ในการที่ทรงอยากให้พระแม่นาง น, นางถวายสังฆทานแก่นที่แท้จริงก็คือสังฆทานทานเพื่อสงฆ์สงฆ์อยู่ทำอยู่ทาอยู่สันติสุขของโลกก็อยู่ และเกียรติคุณงดงามของพระนางก็จะอยู่คู่ฟ้าดินสลายเพราะว่าเป็นต้นแบบของการถาวายสังฆท า, านนี้ครั้งที่หนึ่งต่อมาเนี่ยในพรรษาที่หพระนางมหาประชาบดีโค ต, ตมีอยากจะพนวดพอพระพุทธองค์เสด็จมาก็เสด็จไปขอพนวดแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่อนุญาตนะทําไมจึงไม่อนุญาตก็เพราะว่าสังคมในสมัยนั้นยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับในเรื่องของสิทธิสตรี สตรีอินเดีย น, นี้อาภัพมากมีฐานะเป็นแค่วัตถุของผู้ชายถ้าสามีตายผู้หญิงที่ยังเหลืออยู่จะต้องแสดงความจงรักภัก ด, ดีต่อสามีด้วยการกระโดดเข้ากองเพลิงด้วยนะหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องยอมเป็นม่ไปจนตลอดชีวิตอาภัพมากๆเวลาจะแต่งงานก็ไม่ให้ผู้ชายมาขอนะผู้หญิงก็ต้องไปขอผู้ชายผู้ชายเนี่ยกว่าจะได้มาทาสามีสักคนหนึ่งยายา เล่นตัวจังเลยให้ผู้หญิงบาก้าไปขอเห็นไหมว่าลาบากแล้วถ้าเกิดสามีตายก็ต้องตายตามด้วยนะทำให้ตายตามนี่ถูกตราน้าว่าเป็นหญิงกาลีอิศเพราะฉะนั้นผู้หญิงในสังคมอินเดียเป็นแค่วัตถุของผู้ชายดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งบวชจะต้องเดินสวนกระแสทานอันเชี่ยวกราของสังคม พระแม่น้านางมาขอบวชพระองค์จริงมาให้บวชอย่างไรก็ตามเมื่อองค์เสด็จกลับไปพระแม่น้านางทรงตัดสินพระไถยโกนพระเกศาด้วยพระองค์เองชวนข้าราชบริพารเสด็จดำเนินย่าตราไปตามพระพุทธองค์จนกระทั่งตามไปทันพระพุทธองค์ณาสถานที่แห่งหนึ่งก็เขาเ้าไปกราบทูลขอบวชท่านทั้งหลายลองคิดดูนะื้อวัตตรีที่อยู่ในรั้วในวงังไม่เคยลำบาก แต่พออยากจะบวชขึ้นมาก็ตัดสินพระไทยปลงผมนุ่งห่มผ้าการสามัพคือผ้าจีวร เ, เดินทางเป็นร้อยร้อยกิโลเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจจริงของตัวเองในระหว่างนั้นก็เดินระหกรอเหินเหนื่อยหนักหนาสาหัสเท้าเนี่ยรับบมหมดปวดอยากทิ้วทั้งฝุ่นทั้งลมทั้งแดดกว่าจะไปถึงวัดที่พระพุทธองค์เสด็จประทับจำพรรษา เราเรียกว่าระหวยรแรงกันถึงที่สุดทีนี้เท่านั้นยังไม่เท่าไหร่พอเข้าไปกราบอุนพระพุทธองค์ว่าขอบวชแต่ทรงปฏิเสธพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่รู้จะทำยังไงกลับออกมาทรงกันเสียงด้วยความน้อยเนื้อต่ำและถไทยว่าพระลูกชายไม่รักแม่แม่พิสูจ ต, ตัวเองถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ให้โอกาสก็เสด็จดาเนินมาร้องห้อยู่ที่ซุ้มประตูวัด พระอนุนพุทธานุชาซึ่งเป็นข้านัดดาของพระนางเห็นแล้วก็สงสารมากบอกว่าพระมาตุฉาหยุดร้องไห้เถอะเดี๋ยวตามาภาพจะไปกราบบุญพระพุทธองค์แทนเองพระอนุนนั้นเห็นใจสตรีเพศมากเพราะฉะนั้นในบรรด า, น, า น, นักสิทธิสตรีหรือเฟมินิสทั้งหลายเนี่ยเคารพพระอนุนมากเพราะถ้าไม่มีท่านสตรีไม่ได้บวชพระอนุนก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์แต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกัน พระนรนก็ไปกราบทูลขอว่าให้ผู้หญิงได้บวชเถิดและผู้หญิงที่จะมาขอบวชก็ไม่ใช่ใครอื่นใครนะก็เป็นพระมาตุฉาของพระองค์แต่พระพุทธองค์ก็ปฏิเสธครั้งที่หนึ่งปฏิเสธพระนร์กราบทูลขอครั้งที่สองอีกพระพุทธองค์ทก็ส่ายหัวปฏิเสธไม่ได้ให้ผู้หญิงบวชไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดลิกประวัติศาสตร์เชิวนะพระนรนก็คิดเอ๊ะขอบวชตรงๆไม่ได้ แสดงว่าถ้าใช้โจทย์เดิมเนี่ยก็คงคำตอบก็คงจะเป็นไม่ไม่ไม่ทีนี้พระอนนท์ก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าน่าจะลองเปลี่ยนโจทย์ดูท่านทั้งหลายซึ่งกําลังทำงานลองคิดดูนะบางครั้งปัญหาต่างๆที่เราแก้ไม่ได้และมันติดอยู่ในใจอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ปัญหามันยากเย็ยนแต่เป็นเพราะเราตั้งโจทย์ผิดลองตั้งโจทย์ใหม่ดู อาจาภยพเคยไปบรรยายหลายที่มีอยู่ที่หนึ่งเขาเขียนป้ายไว้ปักไว้ที่สนามป้ายนั้นบอกว่าขอบคุณที่ไม่เดินลัดสนามโหน่ารักมากไม่มีใครกล้าเดินลัดสนามแต่บางที่เขียนไว้ว่าห้ามเดินลัดสนามแต่เห็นคนเดินเป็นทางเลยนะทำไมอะธรรมชาติของมนุษย์นั้นถ้าท้าทายอย่างนั้นมนุษย์จะฝ่าถือหลักว่า ก, กฎนะั้นมีไว้แห่ แต่ถ้าบอกว่าขอบคุณที่ไม่เดินลนัทธิาสูาฟังแล้วมันพ้อหูจังเลยคนก็ไม่กลา้าฝ่าพระอนนทเนี่ยเปลี่ยนโจทย์กรบทุนขอให้ผู้หญิงได้บวชตรงๆมาพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตท่านก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าข้าแต่พระพุทธองค์กระหม่อมขอทูลถามว่าถ้าสตรีมาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยสตรีมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมเหมือนผู้ชายไหมพระพุทธองค์ก็บอกว่าบรรลุธรรมได้สิ ผู้หญิงผู้ชายน่ยมีศักยภาพเท่ากันเลยที่จะบรรลุทำตามที่ชั้นสอนพอพระพุทธองตรัสอย่างนี้พระอา น, นุ์ไม่รอช้าเลยลุกขึ้นไปเลยถ้าอย่างนั้นทำไมไม่อนุญาตให้สตรีได้บวชละ่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพระพุทธองจําเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขพระอา น, น, นุ์ท่านก็ชี้แจงประกอบว่าในเมื่อสตรีเพศมีศักยภาพทางสติปัญญาเท่ากับบุรุษเพศถ้าเช่นนั้นแล้ว ก็สแสดงว่าไม่มีอุปสรรคในโลกของการบวชสำหรับสตรีสิเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่ส่งงอนุญาตให้พระแม่นะนางได้พรนหนุนเล่าพระพุทธองค์ก็ยอมจำนวนต่อเหตุผลของพระอานนท์สุดท้ายเรียกพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้ามาแล้วก็ท่งมอบคารุธรรมซึ่งเป็นสเสมือนกฎเหล็ก8ปประการให้พระนางรับไปถือปฏิบัติกฎนี้เป็นกฎเหล็กจริงๆ เช่นบอกว่าถึงแม้ผู้หญิงจะบวชมาร้อยปีถ้ามีสามารถเนรหรือมีพระบวชใหม่ภายในวันนั้นภิกษุณีก็ต้องยอมพร้อมที่จะไหว้พระที่บวชใหม่ภายในวันนั้นทําได้ไหมพระนางมหาประชา บ, บดีโคตมีบอกว่าทําได้กฎที่หนักกว่านี้หมอมฉันก็ยินดีจะรับว่ายด้วยเสียงกล้าวพระองค์จึงทรงวางกฎอีกเจข้อเป็นแปดข้อซึ่งเป็นกฎซึ่งหนักมากๆเรียกว่าเป็นการดิดรอนสิทธิสตรีเลยก็ว่าได้ พระนางมหาประชาบาดีก็อภิเษก ว, ว่ากฎนั้นจะหนักหนาปานเหล็กไหลหรือปานผุนผาอย่างไรก็ตามหมอ่อมฉันยินดีที่จะรับกฎนั้นไว้ปฏิบัติด้วยชีพพอยินยอมพร้อมใจอย่างนี้เองก็เท่ากับว่าพระนางได้รับบรมพุทธานุญาตให้บวชกลายเป็นสตรีคนแรกที่ได้บวชในพระบวรพุทธศาสนาและนับแต่นั้นมาสตรีเดียก็หลั่งไหลเข้ามาบวชเยอะแยะมากมาย ไม่มีศาสนาไหนในโลกที่เปิดกว้างเท่ากับพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้เนี่ยนักเคลื่อนไหวเบื้อสิทธิสตรีทั่วทั้งโลกจึงยกย่องพระพุทธเจ้ากันมากเพราะพระองค์ท่านเป็นมหาบุรุษคนแรกที่มีพระทัยอันกว้างขวางเปิดที่ทางให้กับสตรีทั้งโลกได้ห ย, ยัดยืนอย่างทัดเทียมผู้ชายในสังคมพอแม่นางมหาประชาบดีโคตมีได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ปฏิบัติธรรม แล้วก็บรรลุพระอรหันตผลกลายเป็นพระอรหันตพระองค์หนึ่งถ้าพระองค์สามารถสอนให้สมเด็จแม่เป็นพระอรหันตได้ก็เท่ากับว่าได้โทษใช้นี่ศักดิ์สิทธิ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมบูรณ์จนกระทั่งเมื่อพระองค์ใช้นี่ศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งพระนางมหาประชาบาดีโคตมีเถรีนี้ก็พิจารณาสังขารว่าจะอยู่อีกไม่นานก็ไปทูลลาปาริณิพาน ในวันที่ไปทูลลาปรินิพพานนั้นพระนางได้ออกพระโหษ์ซึ่งประทับใจมากๆานั่นก็คือว่าพระแม่นะนางได้ตรัส บ, บทกวีขึ้นมาสามสี่บทเป็นบทกวีที่ร้อยเรียงไว้อย่างไพเราะทั้งคำและความคือพระนางออกพระโหน์ว่าเมื่อยังทรงพระเยาว์มอมฉันได้เป็นพระมารดาของพระองค์ ได้เฝ้าเพียรถวายกษสีราธาราคือน้ำนมแด่พระองค์หล่อเลี้ยงพระรูปกายของพระองค์จนเติบใหญ่ต่อมาเมื่อมอมฉันได้เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยของพระองค์พระองค์เองก็ได้ถวายกษสีราธาราคือน้ำนมแห่งธรรมะลอเลี้ยงธรรมก า, ายของมอมฉันให้เติบใหญ่ตอนที่ยังครองคราวาสวิสัย ม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์แต่เมื่อม่อมฉันได้เข้ามาสู่ร่มเงาของพระวินัยพระองค์ได้เป็นพระบิดาของม่อมฉันเราลองคิดดูสิว่ากวีนี้ผลบท น, นี้ไพเรออาะเพียงไรครั้งหนึ่งคนหนึ่งเคยให้น้ำนมตอนเป็นครึ่งหัดอีกครั้งหนึ่งคนหนึ่งก็ให้น้ำนมตอบแทนแต่เป็น น, น, น้ำนมแห่งธรรมะน้ำนมที่กันมาจากสายเลือดถูกทดใช้แทนด้วยน้ำนมแห่งธรรมะ เรียกว่าในฐานะที่เป็นลูกพระพุทธองค์ได้ทรงตอบแทนพระคุณของพระมารดาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่ององตรัสอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทูลลาปเรนิพานพระพุทธองค์ก็ไปจัดงานตรงพระบรมศพให้เสร็จแล้วก็ออกพระอาทีนี้มาเก่อบรรจุเป็นพระเจดีย์สำหรับสักการะบูชาต่อไปนี่คือพุทธจริยาของพระพุทธองค์ที่ทรงมีแต่พระพุทธมารดาทั้งสองพระองค์ ต่อพระมารดาพระองค์ที่หนึ่งนั้นมีข้อคิดที่ดีมากๆนิสิคนหนึ่งเคยถามอาตมาพาหมว่าเอ๊ะพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชันดาวดึงสวรรค์มีจริงหรืออตาตมพาพาหถามว่าเธอไปติดใจกับความมีหรือไม่มีของสวรรค์ทําไมทําไมเธอไม่ตีความหมายระหว่างบรรทัศน์ว่าทําไมเสด็จขึ้นไปโปรพุทธมารดาบนสวรรค์พระพุทธมารดากับพระพุทธองค์นั้นอยู่คนละโลกนะเสด็จแม่อยู่โลกสวรรค์ลูกอยู่ในโลกมนุษย์ แต่ความต่างแห่งโลกความต่างแห่งพบเป็นอุปสรรคต่อการที่ลูกกะตัอยูคนหนึ่งจะทดแทนพระคุณแม่ไหมไม่เป็นอุปสรรคแล้วเธอเล่าเธออยู่ในโลกมนุษย์นอนบ้านหลังเดียวกับแม่ห่างกับพ่อกับแม่แค่ฝาห้องกันเธอเคยคิดที่จะไปโปรดพ่อโปรดแม่ไหมมีอะไรดีๆไปให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนเียบพระพุทธรงดัน้นด้ น, ดานจากโลกมนุษย์ทะลุถึงโลกสวรรค์หมห่างกันแค่ชั่วฝาห้องกัน เคยคุยกันอย่างที่อบอุ่นไหมเคยกราบแทบตักท่านไหมเคยมองหน้าของแม่เราตรงตรงไหมเคยดูไหมว่าวันแต่ละวันในคุณพ่อคุณแม่ของเรามีหน้าตาผิวพรรณเปลี่ยนไปยังไงเคยตักน้ําให้ท่านอาบหรือเปล่าทํากับข้าวแล้ด้านทานบ้างหรือเปล่าห่างกันแค่ชั่วฝาห้องกันเธอทําทอะไรที่สู้พระพุทธองค์ได้บ้างห่างกันแค่ชั่วยกโหโทรศัพท์ถึงเคยโทรไปคุยกับท่านไหม อยู่ในบ้านเดียวกันตำบลอำเภอจังหวัดเดียวกันโลกเดียวกันประเทศเดียวกันเราเคยให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ของเราเหมือนที่พระพุทโธเสด็จดั้นด้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์หรือเปล่าอันนี้คือความหมายระหว่างบรรทัดที่เราควรจะคิดต่อพระพุทธมารดาคนที่สองมีความหมายระหว่างบรรทัดให้ตีความได้ว่าในการตอบแทนพระคุณมารดาบิดาของเรานั้น เราเคยให้สิ่งที่ดีที่สุดกับท่านแล้วหรือยังถึงแม้การตอบแทนพระคุณมาดาจะเป็นสิ่งที่ย่างเย็นแสนเขียนยิ่งไรก็ตามพระพุทธองค์ก็ทำนะฟาฝืนกระแสสังคมยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงเอาพระเกียรติยศของพระพุทธเจ้ากล้าแหวกประเพณีให้โยมแม่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาใครจะด่าฉันมาดา ขออย่างเดียวให้ยมแม่ได้มีโอกาสลิ้มรสธรรมเหมือนกับที่ฉันได้ลิ้มบ้างมีลูกคนไหนบ้างที่ยอมลำบากเพื่อแม่เทียบเท่ากับพระพุทธองค์ลูกส่วนใหญ่เพียงที่จะเรียกร้องต้องการจากพ่อจากแม่บางทีโทรศัพท์ไปขอสตังค์แทนที่จะขอดีๆโทรศัพท์ไปกันโชคท่านเป็นการกันโชคความรักความห่วงใยจากท่าน บางคนโทรเลขไปหาแช่งให้ตัวเองตายเพื่อพ่อแม่จะได้ให้เงินมาเร็วๆบอกว่าลูกอยู่โรงพยาบาลค่าโรงพยาบาลเป็นหมื่นเห็นไหมว่าเราแสดงความรักต่อพ่อต่อแม่ของเรายัางไงนี่คือพุทธคติซึ่งเราควรจะได้เรียนรู้และน้อมมาปรับประยุกใช้กับตัวของเราเองอย่าให้น้อยหน้าพระพุทธองค์มารดาของมหาบุรุษอีกท่านหนึ่งซึ่งน่ารักมากก็คือพระสาเรบุตร พระสารีบุตรเป็นพระคราสาวกเบื้องขวาพระครส า, าวกเบื้องขวามีบทบาทรองจากพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรนั้นขึ้นชื่อมากว่าเป็นคนกระตัญญูท่านกระตัญยูทั้งต่อครูบาอาจารย์และก็ต่อโยมมานดาของท่านครั้งหนึ่งตอนที่ท่านยังเป็นคฤหัตออกสแสวงหาโมฆะธรรมหรือพระนิพพานผู้วชมพูทวีไปหมดมีอยู่วันหนึ่งระหว่างการสแสวงหาทางจิตวิญญาณ ท่านได้พบกับผ้ารูปหนึ่งเห็นปุ๊บเลื่อมใสปั๊บเลยเป็นความประทับใจแรกพบแล้วท่านก็เดินตามผ้ารูปนั้นไปเดินไปห่างๆรอให้ท่านฉันเสร็จก็เข้าไปสนทนาพระสาวีบุตรเป็นนักปรัชญาซึ่งฉลาดมากก็ไปกราบถามผ้ารูปนั้นว่าพระคุณเจ้าขอรับผิวพรรณพระคุณท่านเนี่ยพองใสจังเลยพระคุณท่านบวชในาศาสนาของใคร รศาสนาของพระคุณท่านสอนอย่างไรพระมหาเถรารูปนั้นก็บอกว่าอาตมาภาพเองเพิ่งบวชมาไม่นานยังไม่รู้ธรรมะชั้นลึกหรอกนะท่านก็บอกว่ากระผมนี่อยากรู้ธรรมะแต่ว่าจะมากจะน้อยยังไงลึกไม่ลึกขอนิมนพระคุณท่านเล่าให้ฟังบ้าง ก, ก็แล้วกันการทำความเข้าใจเป็นเรื่องของกระผมเองอาารูปนั้นก็บอกว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับของเหตุเหล่านั้นด้วยพระหมหาสมณะทรงมีปกติตรัสสอนเช่นนี้แหละคำพูดชั้นสั้นสีบรรทัดนี้ก็คืออริยสัจสีนั่นเองนั่นก็คือบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปรากฏการทั้งปวงในโลกล้วนมีที่มาการจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะแก้ได้ก็ต้องแก้ที่สาเหตุไม่ใช่แก้ที่ผลนี้ก็คืออริยรสัจสีทุกสมุทยัยนิโรธมรร พภาษาบุตรที่ตอนที่ยังเป็นคารืหันได้ฟังบทกวีสบรรทัดสั้นๆแค่นี้ด้วยความที่เป็นนักตัดยาชญยอดฟังแล้วเนี่ยพอท่านกล่าวจบบรรลุธรรมเป็นพระโสุวาบันเลยตั้งแต่นั้นมาพอท่านได้บวช ท, ทุกคืนก่อนนอนท่านจะถามเพื่อนๆที่เป็นพระด้วยกันว่าพระอัตชีเถระซึ่งเป็นพระที่สอนธรรมะท่านครั้งแรกอยู่ทางทิศไหนของบ้านของเมือง ถ้าท่านรู้ข่าวว่าวันนี้ครูของท่านจาริกไปทางทิศตะวันออกท่านก็จะหานหัวนอนไปทางทิศตะวันออกก้มลงกราบระลึกถึงครูสามครั้งแล้วถึงจำวัดทำอย่างนี้จนทุกวันทุกคืนมีอยู่วันหนึ่งพระลูกศิษย์ก็เห็นว่าเอ๊ะครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระอราหันต์แล้วทำไมก่อนนอนยังหันหัวไปตามทิศต่างๆเป็นพระอราหันต์ไม่น่าจะยึดติดก่อนนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ที่บายว่า สารรีบุตครูของเธอไม่ได้ยึดติดถือมั่นในรัที่ประเพณีหรอกนะแต่ว่าครูของเธอระลึกถึงบูรพาจารย์คือครูคนแรกด้วยความกตันยูรู้ขื่นเมื่อรำลึกแล้วก็ไม่ลืมเฮียนก้มกราบทุกครั้งก่อนนอนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนคิดว่าหากไม่มีครูวันนั้นก็ไม่มีฉันวันนี้ พระพุทธองค์จึงยกย่องท่านว่าเป็นคนยอดกตัญญูในทางพระพุทธศาสนานอกจากกตัญญูต่อครูแล้วท่านกตัญญูต่อมารดาของท่านมากพระสารีบุตรมีพี่น้องเจดคนท่านพาพี่น้องมาบวชหมดเลยจนโยมมารดาของท่านนี้โกรธพระลูกชายมากๆมีทรัพย์สินคาญเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีใครสืบทอดเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าพี่คนโตเนี่ยพาพี่น้องไปบวชหม ด, หมด ทิ้งแม่อยู่กับบ้านคนเดียวใครจะมาดูแลสมบัตินึกถึงพระลูกชายแล้วก็แค้นในใจขนาดว่าพระลูกชายเป็นพระอัครส า, าวกแล้วนะยศแม่ยังไม่เคยเห็นดีเห็นงามเลยอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะบางทีลูกชายอ า, ายุห้าสิบแล้วนะพ่อแม่ก็ยังเห็นลูกเป็นเด็กอยู่นั่นเองเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่า สมเด็จย่านี่เห็นพระองค์เป็นเด็กตลอดเวลาเลยสอนตลอดจนถึงพระชนมาายุ60พรรษาสมเด็จย่าจึงเลิกสอนนั่นก็แสดงว่าทรงเห็นในหลวงเป็นเด็กตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ60นี้คือธรรมดาของคนเป็นแม่ยังไงก็มองลูกว่าเป็นเด็กเล็กอยู่นั่นเองมารดาของพระสาวในบทก็เช่นเดียวกันถึงแม้ลูกชายของตน เ, เป็นพระอัคราษฎร์บริบูแต่ในสายตาของโยมแม่ท่านก็บอกว่าเจ้าตัวเล็ก โกรธเจ้าตัวเล็กมากเลยไม่เคยสนใจยกย่องสรรเสริญเหมือนกับที่คนทั้งโลกยกย่องว่าเป็นพระอัคขราสางโท้าสารนบุตรท่านรู้ดีว่าโยมมารดาของท่านนั้นจิตใจแข็งกระดา้างเพราะว่าโกรธที่ท่านพาพี่น้องมาบวชหมดเลยท่านก็หาโอกาสวันไหนก็ตามที่โยมแม่มีจิตใจอ่อนโยนฉันจะกลับไปทดชัยนี่ศักดิ์สิทธิทดแทนข้าน้ำนมให้ได้ ท่านก็รังรอโอกาสต่อมาจนกระทั่งล่วงมาถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตสัปดาห์หนึ่งของวาระสุดท้ายแห่งชีวิตพระสารีบดุลอาคราสาวกท่านอ า, าพาธด้วยโรคประคันที่ก า, าพาธก็คือโรคท้องร่วงหรือลำไส้อักเสบในช่วงเวลานั้นท่านนึกว่าเราคงจะสิ้นอายุไขัอีกไม่กี่วันแต่ภาระอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นเหมือนคือคาที่ถูก ทังถูกตอกถูกตรึงถูกพันธนาการอยู่ในใจยังไม่ได้รับการปลดทิ้งนั่นก็คือท่านยังไม่ได้ปรดยมแม่ท่านจึงบอกตัวเองว่ายังตายไม่ได้ยังนิพพานไม่ได้ทั้งทั้งที่รูปร่างสังขารอ่อนระหอยเรยแรงอย่างนั้นเองก่อนปริณิพานไม่กี่วันท่านดันด้นเดินทางเป็นร้อยกิโลกลับไปบ้านเกิดกลับไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งท่านจากมานานเหลือเกิน ไปสอนคนทั้งโลกให้เป็นพระอริยะบุคคลจนนับไม่ไหวแต่ท่านก็ยังติดอยู่ในใจว่าถ้ายังไม่ได้สอนผู้หญิงคนนั้นก็ยังตายไม่ได้ท่านพารูปร่างสังขารที่อ่อนระโหยโรวยแรงกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อกลับไปหาโยมแม่คุณโยมนึกออกไหมพระอระหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ตัดกิเลสได้หมดเด็ดขาดหมดแล้วไม่เหลืออะไรอาวรสาหรับคนทั้งโลกแต่ ในเรื่องของความกตัญญูท่านยังคงคุณสมบัติข้อนี้ไว้ไม่ได้ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นความกตัญญูจึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ทั้งโลกพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าภูมิเวสโป ร, ริษาหนังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญยูกะตะเวทีเป็นรากฐานของการเป็นคนดีจะวัดคนว่าดีหรือไม่ดีดูว่าเขาเป็นคนลืมตัวหรือไม่ดูแค่นี้เอง ถ้าไม่ลืมตัวก็เป็นคนดีถ้าลืมตัวก็ไม่ใช่คนดีนี่คือเตือนวินิจฉัยในวันที่ท่านกลับมาถึงบ้านโยมแม่เปิดห้องเล็กๆ เ, เป็นห้องซึ่งท่านให้กำเนิด บ, บุตรชายคนโตคนนี้ให้พาลูกชายได้นอนพักรักษาตัวแล้วโยมแม่ก็ต้อนรับอย่างเสียไม่ได้เพราะยังไม่หายโกรธพาลูกชายพอพาลูกชายมานอนป่วยอยู่ที่บ้านตั้งแต่หัวค่าถึงเที่ยงคืน โยมแม่สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมห้องพระลูกชายของฉันมีแสงสว่างฟุ้นากตลอดเวลาท่านจะเห็นแสงเรืองเรืองสว่างนวลไม่ใช่แสงเดือนไม่ใช่แสงตะวันไม่ใช่แสงเทียนไม่ใช่แสงตะเกียงเพราะแสงนั้นเป็นแสงสว่างเรื่องเรือง น, อนวลงดงามเหลือเกินสว่างเย็นสบาย ท่อตามองแล้วก็ไม่แสตาแสงเหล่านั้นมาวูฟ้าบแล้วก็หายวู่้าบแล้วก็หายท่านก็มองดูเอ๊ะมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นในห้องของพระลูกชายจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็มีแสงดวงใหญ่มากลอยมาแต่เบื้องบูรพาทิศโยมแม่ก็มองเห็นเอ๊่นั่นมันแสงอะไรดูช่างสว่างเรือนวนใหญ่งดงามเหลือเกิน วุ้เข้าไปในห้องพระลูกชายจนอาณาบริเวณบ้านนั้นสว่างเรืองเหมือนกลางวันแต่ก็เป็นแสงนวลแล้วก็เย็นเหมือนแสงจันทร์สักพักหนึ่งแสงนั้นก็หายไปโยมแม่ทนความสงสัยไม่ได้เข้าไปห้องพระลูกชายซึ่งกําลังนอนป่วยยิงคําถามมาลูกตั้งแต่ลูกมานอนป่วยอยู่เนี่ยแม่เห็นว่า มีแสงสว่างวูบวาบแววเวียนเข้ามาห้องลูกตลอดเวลาเลยถามหน่อยเถิดว่ามันเป็นแสงอะไรพ่ะลูกชายก็ตอบว่าโยมแม่แสงต่างๆที่โยมแม่เห็นนั้นเป็นประกายรัศีของเทวดาอารักทั่วทั้งสกลโลกมาเยี่ยมลูกโยมแม่ตาโตเลยนะเทวดามาเยี่ยมลูกหรือคือคนอินเดียเนี่ยเขานับถือเทวดาถือว่ายิ่งใหญ่มาก มนุษย์เนี่ยกระจิตเล็กๆเดียวเทพเจ้านั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมากกว่าทรายในแม่น้ำํำคงคาเราเดินไปทั่วเส้นดินช้อนหญ้ามีเทวดาหมดเพราะฉะนั้นเทวดามาเยี่ยมลูกชายฉันเกิดความประทับใจในตัวลูกชายว่ายิ่งใหญ่กว่าเทวดาแล้วแม่ก็ถามต่อว่าแล้วแสงสุดท้ายที่มาเมื่อเที่ยงคืนล่ะลูกแสงใหญ่ๆเรื่องเรื่องจนบ้านเราสว่างไปหมดนะ่ะเป็นแสงของใคร ล, ลูกชายก็บอกว่าอ๋อแสงสุดท้ายที่เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกลับไปเนี่ยเป็นแสงสว่างแห่งประกายรัศมีของเท้ามหาพรหมโยมแม่อาปากคขังเเท้ามหาพรหมมาเยี่ยมลูกหรอือเจริญพรใช่แล้วโยมแม่ตกใจมากเลยนะเพราะอะไรคนอินเดียเนี่ยมีเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากๆคือเท้ามหาพรหมแล้วก็พระอิศวรแล้วก็พระศิวะหรือพระนาราย เทพสามเทพนี้เป็นตรีมูรติยิ่งใหญ่เป็นเจ้าแห่งดินเจ้าแห่งฟ้ากําหนดวิถีชีวิตโดยเฉพาะพระพรหมเนี่ยกำหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ถึงขนาดเชื่อกันว่าเป็นปรมมาลิกิตเราเกิดมาชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ใต้องค์หัดของพระพรหมแต่พระพรหมมาเยี่ยมลูกชายอย่างฉันเนี่ยลูกชายของฉันเน่ยงั้นลูกก็ใหญ่กว่าพระพรหมสิพระสาวในบทก็บอกว่าไม่รู้สิคิดเอง โยมแม่ประทับใจมากเลยนะโอ้จิตใจอ่อนโยนนี่ฉันมีลูกประเสือดถึงขนาดว่าเวลาป่วยเนี่ยมีเท้ามหาลมมาเชื่ยมไข้ด้วยอุย้ยตายฉันทําไมมองไม่เห็นคุณค่าของลูกเลยประทับใจในตัวลูกชายนะพระสารีบุตรก็ฝ้อมองวาระจิตของโยมแม่เอาละทีนี้โยมแม่จิตใจอ่อนโยนถึงเวลายอมผ้ากันทิ้งทีนี่เรียกว่าฟอกจนจิตใจโยมแม่อ่อนโยนนะ เพราะฉะนั้นคนเราวเวลาจะต่อรองอะไรนะเขาบอกว่าต้องเลือกเวลาอยากได้อะไรต้องรอเวลาสตรีที่พระมหากษัตริย์โปรดมากๆเนี่ยจะขออะไรก็ต้องขอตอนที่กําลังหลงนั่นแหละจิตใจเขากําลังอ่อนโยนพระสาวนิบุตรก็ถือหลักนี้ทรงหาวิธีมานานแล้วที่จะปโปรดโยมแม่แต่โยมแม่จิตใจแข็งกระด้างตลอด คุณโยมลองคิดดูในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าเราปลูกกลหลาบต้นหนึ่งแล้วดินใต้ต้นกุหลาบนี้มันเป็นดินร่วนซุยเรารดน้ําน้ําก็ทะลุทะลวงลงไปถึงรากรากก็ซึมน้ํารับน้ําได้ส่งไปเลี้ยงลําต้นแต่ถ้าเรากลูหลาบลงหลุมเสร็จแล้วเราโบกซีเมนทับหน้าดินเอาน้ํามารด ถ, ถามว่าน้ําซึมถึงรากไหมไม่ซึมหรือซึมไม่ได้เพราะหน้าดินมันแข็งเช่นเดียวกันในการที่พระสารีบุตรจะแสดงธรรม ท่านก็ถือหลักว่าต้องรอให้หน่าดินอ่อนเมื่อน่าดินอ่อนแล้วเมื่อเอาน้ําแห่งพระธรรมลดลงไปในจิตใจของโยมแม่ก็จะสิมได้ง่ายเพอจิตใจของโยมแม่อ่อนโยนท่านก็แสดงธรรมพอแสดงธรรมจบโยมแม่ของท่านเน่ยเป็นผู้หญิงชาวบ้านแทๆ้ๆไม่เคยแวว เ, เสียงธรรมไม่เคยฟังธรรมแไม่รู้จักภาษาธรรมะเลยแต่ฟังพระลูกชายเทศจบแล้วเป็นพระโสดาบันบรรุธรรม ทีนี้พอทําให้โยมแม่เป็นพระอริยบุคคลได้ถือว่าสิ้นสุดภารกิจของพระลูกชายแล้วนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่ติดค้างกันมาทั้งชาติจบแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยจะได้เป็นพระอรหันต์ภายในเจ็ดชาติอย่างแน่นอนคนที่เป็นพระโสดาบันมีหลักประกันแน่นอนว่าในเจดชาตินี้จะไม่ไปเกิดในทุกขติไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเป็ดเป็นอะไรอีกแล้วมีแต่ขึ้นสู่ที่สูงอย่างเดียวแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์ในเจ็ดชาติ พอท่านทำภารกิจของพระลูกชายสำเร็จเสร็จสิ้นเช้าตู่ของวันนั้นท่านก็นิพพานท่ามกลางการเฝ้าของยมแม่นั่นเองเรียกว่าพอโปรโดทดใช้ค่าน้ำนมเสร็จสิ้นท่านก็นอนตายตาหลับจากเรื่องนี้อตรมภาพได้คติมาข้อนหนึ่งว่าเราผู้เป็นลูกทั้งหลายถึงแม้จะทำประโยชน์ให้กับคนทั้งโลก แต่ถ้าไม่เคยทำประโยชน์ให้กับคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคือคุณพ่อคุณแม่ของเราสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็นับเป็นความดีที่ว่างเปล่าอีกข้อหนึ่งก็คือว่ากราบพรามาหมื่นอง์แสนองแต่ถ้าไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเป็นความว่างเปล่านี่คือพระมหาบุรุษของเราทั้งหลายได้วางแบบอย่างที่ดีงามไวให้เราก็มองดูแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเราเองสิว่า ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านปฏิบัติต่อมาดาบิดาของท่านอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องในอดีตโยกมาถึงเรื่องปัจจุบันเอามหาบุรุษในเมืองไทยบ้างท่านพุทธทาสิขุตอนที่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระเล็กๆอายุแค่เบญจเพศทุกวันโยมแม่ของท่านจะไปให้คนเอาอาหารใส่เป็นตัวไปส่งที่สวนโมกท่านพุทธทาสเขียนเล่าถึงโยมแม่ของท่านเอาไว้ประทับใจมากๆเลยท่านบอกว่า ตอนที่อาตมายังบวชเป็นพระเด็กๆมีความรู้ไม่มากแต่ถึงกระนั้นก็คิดอยู่เสมอว่าอยากตอบแทนพระคุณแม่วันไหนโยมแม่ให้คนเอาอาหารใส่บินฑ์โตมาส่งที่ส่วนโมกก็ได้เพียนเขียนข้อธรรมะสั้นๆใส่ในกระดาษเป็นโน้ตเล็กๆฝากคนให้ไปให้โยมแม่ทำทุกวันโยมแม่เอาอาหารกายใส่บินฑ์โตมาเลี้ยงพระลูกชาย ลูกชายเขียนข้อธรรมะเล็กๆฝากไปให้ยอมแม่เป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจคนหนึ่งให้อาหารกายคนหนึ่งให้อาหารใจทาอยู่อย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งยอมแม่ของท่านสิ้นไปท่านพุทธทาสก็เล่าต่อว่าตอนที่ฉันยังเป็นพระเด็กๆมีความรู้ธรรมะฉันเด็กๆก็เพียนเลือเกินที่จะเขียนธรรมะอย่างเด็กๆส่งไปให้ยอมแม่ วันละข้อสองข้อเสียดายโยมแม่มาชิงตายไปเสียก่อนอยากจะทำดีกับท่านอยากจะสอนท่านด้วยธรรมะขั้นลึกก็ทำไม่ได้นึกแล้วก็ยังคงคาราคาสั่งไม่หายท่านลองคิดดูท่านทำดีต่อโย ม, มารดาของท่านถนึงขนาดนั้นท่านก็ยังบอกว่ายังคาราคาสั่งแล้วเราท่านทั้งหลายเล่าโยมพ่อโยมแม่ของเรายังอยู่ เราเคยทําอะไรบ้างที่พอจะไปสู้กับท่านพุทธทาสได้มาถึงมหาบุรุษเอกพระองค์หนึ่งคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอาตมาภาพได้อ่านข้อเขียนของพระเอกทองคําศรียดถินท่านเล่าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสมเด็จย่าพระเอกทองคําศรียดถินท่านพูดไว้ดีมากๆเลยตอนนี้จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆว่ามหาราชยอดกตันอยู่ เล่าถึงพระราชจรยวัดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเล่าว่าในบานปลายพระชนมาชีพเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศเวลาในหนึ่งสัปดาหนะ์ห้าวันสำหรับสมเด็จยา่าหวันเสด็จไปสวยร่วมกับสมเด็จยา่าคือสมเด็จแม่ของพระองค์หนึ่งวัน ซึ่งเป็นวันพระพระองค์ทรงสมาทานอุโบสถสินคือสินแปดทรงงดข้าวเย็นจึงไปเสวยร่วมกับสมเด็จแม่ไม่ได้อีกหนึ่งวันสำหรับสมเด็จพระราชนีและพระบรมวงศานุวงศ์ลองมาถามถึงเราอาทิตย์หนึ่งเราให้แม่กี่วันบางคนบอกเออลืมไปแล้วเลย วันเกิดแม่ยังลืมเลยนะแม่อุตส่าห์โทรมาหาล่วงหน้าสามวันปกติแม่ก็ไม่โทรมากวนลกูกโทรมาคุยกันลูกเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกระลึกได้ว่าใกล้วันแม่แล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องให้แม่ทวงนะเพราะเพราะลําพังลูกลูกจําไม่ได้แต่ลูกจําได้เม่นคืนนัดกับแฟนเมื่อไหร่นัดประชุมวันไหนอันนี้แม่นมากแต่วันแม่เนี่ยวันเกิดแม่เนี้ยลืมลูกศิษย์อัตลักษณคนหนึ่งเล่าให้ฟังเล่าแล้วก็ขํา บอกว่าปีนี้ตั้งใจมากเลยจะโทรศัพท์ไปหาแม่แล้ววันหนึ่งเธอก็ตื่นตะลีตาลานโทรศัพท์ไปแม่สุขสันต์วันเกิดนะคะแม่ไม่ตกใจเลยทำไมแม่บอกว่านี่เธอฉันเกิดตั้งเดือนที่แล้วแล้วลูกก็น่าแตกสิดูสิอุตสาจะตั้งตัวเป็นคนดีกับเขาสักปีหนึ่งเซอร์ไพรส์วันแม่ก็ยังอุตส่าห์ข้ามาตั้งเดือนหนึ่ง นี่ยคุณลูกทั้งหลายเราสู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ไหมทรงให้สมเด็จแม่ของพระองค์ตั้งห้าวันแล้วผู้เขียนหรือพัะเดกทองคํำสีอยธินก็ล่ว่าทุกวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปเสวยร่วมกับสมเด็จแม่ของพระองค์สมเด็จย่าทรงเสวยได้เยอะมากทรงตักข้าวต้อนนะ้ำทําสาราพัดให้แล้วก็เป็นอาหารพระกลยอาหารที่อร่อยทุกมื้อเลยเพราะอะไร ความอร่อยไม่ได้มาจากอาหารแต่ความอร่อยนั้นมาจากน้ําใจไมตรีจากลูกสู่แม่จากแม่สู่ลูกทรงให้ตั้งห้าวันเราท่านทั้งหลายให้กี่วันวันนี้ฝากเป็นการบ้านกลับไปถามตัวเองมีช่วงหนึ่งที่สมเด็จย่ามาทรงพระประชวรแล้วก็เสด็จพำนักอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระประชวรเช่นเดียวกันเช้าวันหนึ่งทหารราชองครักษ์ก็ทรงพาทั้งสองพระรองออกไปพักผ่อนตากอากาศชั้นบนสุดเลยเฝ้าหนึ่งราชองครักษ์ก็เข็นเก้าอี้มาพระเกะ้าอี้ของสมเด็จย่าออกมาอีกเฝ้าหนึ่งราชองครักษ์ก็เข็นรถเข็นสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาทั้งสองพระรองมาเจอกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จดำเนินลุกเลยลุกจากเก้าอี้วีแชร์เลยไปประคองสมเด็จย่าพระชงคระก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าไม่ต้องคนนี้แม่ฉันฉันประคองเองพระราชบริพานซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินแล้วก็น้ําตาเรื้อหมดหลอันนี้คือพระราชาเยาวต์ที่มีต่อ สมเด็จแม่ของพระองค์มรท่านทั้งหลายที่ได้ดูภาพข่าวพระราชาสำนักก็คงจะเคยเห็นหลายครั้งที่ทรงประคองพระบาทสมเด็จย่าแล้วเสด็จดำเนินไปด้วยกันว่ากันว่าหลายครั้งที่พระองค์คารักษ์บอกว่าไม่ต้องแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องคนนี้แม่ฉันฉันประคองเองข้อหน้าสังเกตก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเทิดสมเด็จย่าไว้สูงมากๆถึงแม้พระมารดาของพระองค์จะมาจากสามัญชนพระองค์เป็นเจ้าแต่พระองค์ไม่เคยเอาข้อด้อยตรงนี้ขึ้นมาเป็นที่รังเกียจเดียดฉันเลยไม่ว่าจะในวาระไหนในโอกาสไหนก็ตามทรงยกสมเด็จแม่ทุกครั้งแต่เราทั้งหลาย เวลาไปออกงานสมโมสอนบางทีไม่กล้าพาแม่ไปกลัวคนอื่นจะเห็นลูกออกจะไฮโซแม่ในโคตรเคยไม่กล้าพาไปไหนหรอกแม่ไม่ต้องไปนะงานเนี้ยวัยรุ่นเยอะให้พวกเราไปเถอะจริงๆไม่กล้าไม่กล้าพาแม่ไปปรากฏตัวต่อสาธารณชนอายที่จะเปิดเผยแม่แต่แม่ไม่เคยอายที่จะบอกคนอื่นว่าแม่รักลูก พระบาทสมเด็จพระเจ้า่หัวไม่เคยทรงอายเลยที่จะยกย่องสมเด็จย่าต่อหน้ามหาชนในทุกๆโอกาสเราลองดูซิว่าพระราชาจารยวัรตรงนี้เอามาเปรียบเทียบกับพวกเราสู้พระองค์ท่านได้ไหมว่ากันว่าในตอนสุดท้ายแห่งพระชนอ์ชีพวันหนึ่งสเสด็จมาเยี่ยมสมเด็จย่าที่โรงพยาบาลซิลิร่รากลับไปถึงวังสวนจิต มีโทรศัพท์ไปกราบทูลบอกว่าสมเด็จย่าสิ้นแล้วทรงรีบเสด็จกลับมาที่โรงพยาบาลพยาบาลกําลังหวีผมสมเด็จย่าอยู่ในหลวงทรงตรงเข้าไปหยิบหวีมาแล้วทรงหวีให้สมเด็จย่าด้วยพระองค์เองหวีเสร็จแล้วทรงช่วยแต่งพระองจากนั้นทรงก้มลงหอมที่พระปรางจากนั้นทรงก้มลงกราบ ผู้ชายซึ่งในแผ่นดินนี้จะไม่ก้มพระเสียรให้ใครเลยนอกจากพระสงฆ์กับพระมารดาพระบิดาเท่านั้นก้มลงกราบอย่างสุดจิตสุดใจให้กับผู้หญิงที่พระองค์ทรงเทิดทูนมากที่สุดในโลกทรงบรรจงหวีพระเกษาอย่างดีที่สุดแล้วก็ทรงก้มลงกราบนั่นเป็นครั้งแรกที่คณ า, าชาบริพานทั้งหลายได้เห็นสายระเนรไหลหนองเป็นกราบครั้งสุดท้ายของพระองค์ เป็นพระอสุชนที่คนทั่วไปไม่เคยได้เห็นแล้วก็ได้เห็นข้าราชบริบาลทุกคนประทับใจไม่มีใครพูดทุกคนนึกถึงแม่ของตัวเองดูซิว่าพระองค์ท่านรักแม่ของพระองค์ท่านขนาดนั้นหลายคนนึกกินแหนงแขลงใจที่อยู่กับแม่ไม่เคยเลยที่จะถามแม่ว่าอาบน้ำหรือยังวันนี้จะใส่ชุดไหนจะไหวแม่ยังรอตอนท่านเผลอ ตอนท่านไม่เห็นว่ายข้างหลังทําอย่างประดักประเดิดแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทําทุกสิ่งทุกอย่างต่อสมเด็จยา่าสมดจแม่ของพระองค์นี้อย่างประนีตบรรจงแม้กระทั่งวาระสุดท้ายอันนี้ก็คือจริยาวัดของมหาบุรุษของเราซึ่งยังทรงพระชนอยู่เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้ว อย่าให้ความดีนั้นเป็นความดีของพระองค์เพียงพระองค์เดียวแต่เราทั้งหลายจะต้องอัญเชิญเอาความดีงามของพระองค์ท่านนั้นมาเป็นแบบอย่างให้ชีวิตของเราแล้วช่วยกันกระตุ้นเตือนให้เจริญรอยตามหากแม่ยังอยู่ก็ดีต่อแม่ให้ถึงที่สุดหรือท่านสิ้นไปแล้วก็เป็นคนดีให้ถึงที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวของลูกๆ ก, ก็คืออนุสาวรีที่มีชีวิตของพ่อของแม่ ถ้าเราเป็นคนดีคนก็นึกว่าพ่อแม่สั่งสอนมาดีแต่ถ้าเราเป็นคนเลวคนก็จะนึกตำหนิไปถึงพ่อถึงแม่ว่าไม่สั่งไม่สอนลูกทีนี้ในการจะตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่นั้นควรจะทำยังไงพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าต่อให้ลูกชายลูกสาวของพ่อของแม่เอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาคุณแม่มานั่งบ่าซ้ายคุณพ่อมานั่งบ่าขวาให้ท่านอุจาระปัสสาวะลดอยู่บนบ่านี้ตั้งร้อยปี ก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณได้ทำอย่างไรจึงจะตอบแทนพระคุณได้พระองค์ท่านบอกว่า<ๆ>ลูกลูกหลานหลานได้อยากตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่วิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่ให้เงินให้ทองหากแต่เป็นการชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีสินให้มีสินชักชวนพ่อแม่ ที่มีความตรนีที่เหนียวให้มีจิตใจเลื่อมใสในการบุการกุศลและชักชวนพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญากล่าวอย่างสั้นที่สุดการตอบแทนพระคุณแม่ที่ถือว่าดีที่สุดก็คือการชักชวนพ่อแม่ให้หันเข้ามาสู่เส้นทางแห่งธรรมใครก็ตามที่ชักชวนพ่อแม่ให้หันหน้าเข้ามาสู่วิถีแห่งธรรมได้ นั่นก็คือท่านทั้งหลายได้ตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่อย่างดีที่สุดแล้วตามแนวทางพระพุทธศาสนาบางคนตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ด้วยการโอนเงินให้ทุกสัปดาห์บางคนตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ด้วยการให้วัตถุสิ่งของบางคนตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ด้วยเสื้อผ้าก่อนแต่บางทีสิ่งเหล่านั้นเข้าไม่ถึงจิตไม่ถึงใจของท่านทาไม ก็เพราะว่าวัตถุต่างๆเหล่านั้นบางทีท่านก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะของเดิมมีอยู่แล้วบางทีวัตถุต่างๆเหล่านั้นเมื่อให้ไปแล้วก็ไปหลงลืมอยู่ในตู้อยู่ในซอกอยู่ในหลุมแต่ว่าถ้าเราชักชวนพ่อแม่ของเราเข้ามาลิมรสพระธรรมธรรมนั้นสิงสถิตยอยู่ในใจของท่านตราบจนวางวายทาลายขัน แล้วธรรมะนั้นๆติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าการตอบแทนพระคุณมารดาบิดาที่สูงที่สุดก็คือตอบแทนด้วยพระธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าพระคราสสาวกท่านพุทธทาสหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงวางแบบอย่างอันดีงามเอาไว้ให้ ในท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพอยากจะสรุปเรื่องมารดาของมหาบุรุษสั้นๆด้วยคำคมที่กล่าวมาข้างต้นว่าดีต่อคนทั้งโลกแต่ถ้ายังไม่เคยดีต่อพ่อแม่ของตัวเองนับเป็นความดีที่ว่างเปล่ากราบพามื่นองแสนองแต่หากไม่เคยกราพ้างในบ้านคือพ่อแม่ของเราก็นับมาเป็นการกราพ้าที่ว่างเปล่าในท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพขอให้เราท่านทั้งหลาย ได้หลับตาพรำลึกนึกถึงดวงหน้าแห่งพ่อแม่ของเราทุกคนนึกจนมองเห็นภาพดวงหน้าของคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเมื่อเห็นท่านชัดแล้วกระซิบบอกท่านในใจว่าวันนี้ลูกชายของพ่อลูกสาวของแม่พาตัวเองมาฟังธรรมะที่พัทราวันดีเทอเตอร์ลูกทั้งหลายขอน้อมเอาคุณงามความดีนี้ ต่างพวง ม, มาลัยมะลิต่างทูบหอมเทียนแผมากราบสักการะบูชาเพื่อทดใช้ค่าน้ำนมให้กับคุณพ่อคุณแม่และหากลูกทั้งหลายได้เคยก้าวล้ำล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายวาจาใจลูกก็ขอเอาธรร ม, มานี้ต่างน้ำอบน้ำหอมมาหลังรถลงที่แทบเท้าของคุณพ่อคุณแม่ขอพ่อแม่ได้โปรโ ด, ดให้อภัยกับลูก ขอให้เราท่านทั้งหลายน้อมรำลึกอย่างนี้ถ้าเคยผิดพลาดก็ขออภัยท่านถ้าดีอยู่แล้วก็ขอแบ่งบุญแบ่งกุศลนี้ให้คนพ่อคนแม่ของเราขอเชิญเราทั้งหลายหลับตาลงชั่วครู่แล้วแบ่งบุญแบ่งกุศลพร้อมๆกัน จานี้เชิญท่านทั้งหลายได้เลืมตาขึ้นนอกจากเราจะแบ่งบุญกุศลให้พ่อแม่ของเราแล้ววันนี้เราเผื่อแผ่ให้กว้างออกไปถึงสรรพสัตว์ทั้งโลกด้วยขอให้ท่านทุกคนประนมมือแล้วแผ่เมตตาว่าตามัตรมภาพข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนา้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐจงสถิตเสด็จในพระสิริราชสมบัติขอพระองค์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 ที่มีทุกจงพ้นจากทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วจงสุขยิ่งๆ่งขึ้นไปสเพสัตตาสุขีหัตตานังปะริหารันตูขอสัตว์ทั้งหลายจงมีสติรักษาตนรักษาใจ ให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเทินธรรมภาพได้ใช้เวลาแสดงธรรมบรรยายมาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิ ง, องคุณพระศีรัตนไตรจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะพลวปัปจจัย อานวยอวยชัยให้เราท่านทั้งหลายตั้งแต่เจ้าของบ้านคือครูเล็กพัทรวดีมีชูทนซึ่งเป็นสตรีผู้น่ายกย่องสรรเสริญคนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อสังคมจนประสบความสำเร็จมากมายแล้วก็เพียนเคลื่อนย้ายความสำเร็จนั้นมาเอื้อกับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยการเปลี่ยนโรงละคร เป็นโรงธรรมแล้วก็เพียรดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องยาวนานขอให้เจ้าของบ้านตลอดจนถึงศิษธ์สยานุสิทธิ์มีส่วนแห่งคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้เป็นเบื้องต้นนอกจากนั้นขอเราท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งกิจกรรมที่ทรงคุณค่าต่อสังคมเช่นนี้ อยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคปราศจากสัพ ป, ปทุก์สับ ป, ปะสกสับ ป, ปโรคสัปปพปภัยสัปพปเสนีย์จันไรอันตรายทั้งหลายอย่าได้มากล้ากลายท่านทั้งหลายคิดหลังซึ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบและประกอบไปด้วยธรรมแล้วใสขอความคิดความปรารถนานั้นนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จและจงพันสําเร็จด้วยการทุกท่านทุกคนเทอ